เมื่อเตรียมตัวเสร็จระพินก็นำทางเกนลูกหาบของเขาไปเกือบหมดเพื่อให้ทำหน้าที่ได่ราวคงเหลือไว้แต่ส่วนน้อยให้เฝ้าแคมป์และจัดเตรียมหุงหาอาหารเมื่อทุกคนเดินผ่านลงมาที่รำทานก็เห็นแง่ทรายกับลูกหา อ, อีกสามคนกำลังช่วยกันถลกหนังหมูป่าและวางอยู่อ้าวแง่ทรายไม่ไปช่วยไล่เลียงผารือเชษฐาทักยิ้มยิ้ม หนุ่มชาวโดงนักพเนจรเงยหน้าขึ้นยิ้มยิงฟันขาวเหมือนอย่างที่เคยเห็นผู้กองให้ผมช่วยลอกหนังกวางกับหมูป่าครับแล้วให้เฝ้าแคมป์ด้วยทำไมคุณไม่ให้แง่า ย, ายไปด้วยในจ้างหนุ่มหันมากระซิบถามจอมพานเราไปกันหมดไม่ได้ครับคุณชายต้องมีเหลือเฝ้าแคมป์ไว้บ้างและในจำนวนลูกหาบที่เราทิ้งไว้ให้เฝ้าแคมป์ คนที่เราควรจะไว้ใจได้มากที่สุดก็คือแงซายทั้งหมดข้ามลำธารตายขึ้นเนินทึบเตี้ยๆตัดทางลงสู่ป่าโปรง่งและพินออกคำสั่งกำหนดการนัดแน่กับคนของเขาไว้เรียบร้อยแล้วบุญคำนำพวกลูกหาทั้งหมดที่ตามมาด้วยแยกตัดทางอ้อมไปทางหลังเขาและพินกับคณะนายจ้างจานันเกิดและเสยคงเดินตัดป่าโปรง่งต่อไปอีกประมาณ20นาที ก็ถึงชายภูมิที่เขาสำรวจไว้ก่อนแล้วในอันที่จะวางปืนเขาจัดที่ซุ่มดักยิงให้แก่บุคคลเหล่านั้นเป็นลำดับไปคือเชษฐาเป็นแห่งแรกโดยให้นั่งคู่กับจันต่อมาก็ชายยันให้นั่งคู่กับเสยพรานของเขาที่ให้นั่งคู่อยู่ด้วยจะไม่มีหน้าที่ในการยิงเรียงผาแต่ถือปืนขนาดจุด 5, สาเจห้าสหรับหน้าที่คอยคุ้มกันอันตรายอันมคาดฝันที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ซึ่งเป็นการให้ความปลอดภัยแก่นายจ้างตำแหน่งสุดท้ายเป็นซุ้มไม้สลับไปด้วยโขดหินงดงามเหลือเพียงดารินคนเดียวที่ถือปืนเดินตามหลังเขามานี่แหละครับที่ของคุณหญิงนั่งประจําได้พระพินบุยปากแล้วก็ถอยไปนั่งอยู่บนโขดหินก้อนหนึ่งเบื้องหลังควักบุหรี่ออกมาจุดสูบดารินกวาดสายตาไปรอบๆแล้วดึงผ้าพันคอออกมาซับเหงือ่อพร้อมกับยักไหล่ แรงให้ฉันเดินไกลกว่าคนอื่นเสียนั้นแหละนะนายพรานที่ไหนได้ผมพยายามเลือกที่นั่งยิงให้คุณหญิงดีที่สุดโอกาสที่เรียงผาจะวิ่งออกมาให้ยิงมีมากกว่าที่นั่งของคุณชายหรือคุณชายยานเสียอีกมิหนำซ้ำยังเป็นที่ร่มไม้ต้องนั่งตากแดดไม่ต้องนั่งตากแดดเหมือนสองคนนั่นหล่อนซุดตัวลงนั่งบนก้อนหินเตีย้ยเตีย้ยพิงปืนไว้ข้างๆถอดหมวกออกมาโบกพัดช่ำเรืองหางตา ม, มองดูเขาอย่างขวาง ไหนลองบอกกติกามาสิฉันจะท่องยิงอะไรยังไงก็ไม่มีอะไรมากแล้วพินต่อพุ่นทวนโดยไม่ได้หันมามองดูหน้าเอนกายลงนอนหงายไขว้ห้างอย่างสบายใจตาจับอยู่ที่ชนีซึ่งโหนนิ่งอยู่บนยอดไม้สูงลิฟ์เหนือสีสษะพอมันวิ่งออกมาให้เห็นคุณหญิงก็ยิงเอาได้ตามถนัดสำคัญอย่างเดียวคือถ้ามันวิ่งเลยระดับของต้นตะเคียนใหญ่นู่น ที่ผมชี้ให้ดูแต่แรกแล้วก็อย่ายิงก็แล้วกันเพราะมันเป็นทางที่พวกเราได้ราวของเราปวนเปียนอยู่ที่นั่นแล้วคุณมานอนแขงอยู่นี่นะ่ะมานอนทําไมแกลงมาคอยเฝ้าดูให้ฉันประมาแล้วก็ยิงไม่ถูกจะได้หัวเราะ ย, ย่อเงนินสิเปล่าไม่ได้มาแกลงนอนเฝ้าดูเพื่อให้ประมาแล้วยิงผิดหรอกเพราะถึงยังไงมันก็ต้องผิดอยู่วันยังค่ําแต่ที่มานอนอยู่นี่นะ่ะกลัวว่าเจ้าลายหรือเจ้าจมูกยาว มันจะย่องเข้ามาทำเจ้าชู้กับนักมนุษย์วิทยาคนสวยเสร็จท้านั้นมันเป็นหน้าที่ที่จะต้องเฝ้าพราะรับเงินค่าจ้างเขามาแล้วบ้าหม่อมราชวงหญิงดาลินร้องแหลมออกมายึงฉุนเฉียวหน้าแดงกำมตาลุกวาวในที่สุดก็เค้นหัวเราออกมาพูดเน้นเสียงนึกแล้วทีเดียวไม่มีผิดเห็นจากลักษณะท่าทีแต่แรกก็พอจะเดาถูกคุณเป็นคนมีกิริยาวาจากระด้างมาก เหมาะแล้วกับอาชีพพานใจราชการของคุณที่ใช้ชีวิตอยู่กับป่ากับดงมาตลอดแต่ไม่เหมาะเลยที่ฉันได้รับทราบจากคุณอําพลว่าคุณเป็นคนมีการศึกษามาแล้วอย่างดีเลิศพี่ใหญ่กับชายยันเข้าใจผิดมากที่หลงสารเสริญอยู่ตลอดเวลาว่าคุณเป็นคนสุภาพทั้งทั้ที่แท้จริงก็เป็นคนหยาบคายไม่ใช่สุภาพบุรุษเลยอย่าลืมนะในพานอย่าลืมว่าคุณกําลังพูดอยู่กับนายจ้างของคุณ ฉันจะฟ้องพี่ใหญ่เพื่อไล่ผมออกจากการเป็นลูกจ้างนหรือครับริ่มพินถามเรียบเรียบมาจากอาการนอนอยู่เช่นเดิมโดยไม่เปลี่ยนหญิงสามิ้มดิมฟีปากอึ้งไปจอมพรานค่อยๆชันกายขึ้นนั่งมองด้วยสายตาเฉยๆมายังหม่อมราชวงศ์หญิงคนสวยกล่าวต่อมาว่าบังเอิญเหลือเกินครับคุณหญิงบังเอิญที่ผมไม่ได้ศึกษาในทางมนุษยวิทยาสุ ด, ด้วย ก็เลยไม่ค่อยจะทราบว่าสังคมของมนุษย์เขาถืออะไรเป็นหลักในการจะพิจารณาว่าอะไรเป็นการสุภาพและอะไรเป็นการหยาบคายถูกแล้วครับผมเป็นชาวโดงชาวโดงมาตั้งแต่ครั้งบรรพบุรุษทีเดียวและชาวโดงเขามักจะพูดกันตรงๆไม่อ้อมค้อมรู้สึกยังไงก็พูดออกไปอย่างนั้นมันติดเป็นสันดานสินแล้วเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่เป็นการล่วงเกินผมก็ต้องขออภยัย มนุษย์วิทยาไม่ใช่วิชาที่จะสอนให้รู้ว่าอะไรสุบภาพหรืออะไรหยาบคายแต่เป็นวิชาที่จะแจกแจงพิสูจน์ให้รู้ชัดว่ามนุษย์แยกออกเป็นกี่เผ่าสืบเชื้อสายต้นตระกูลมาจากอะไรเราสามารถจะรู้ได้ว่ามนุษย์ชนิดไหนถือกันว่าเป็นพวกยังไม่เจริญเป็นต้นว่าพวกชาวดงชาวเขาอาศัยอยู่ในป่าซึ่งยังไม่ได้รับการพัฒนาใดๆทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นจริยธรรมมโนธรรม โครงกระดูกและหัวกะโหลกของมนุษย์ประเภทนี้มันบอกชัดจัดเป็นมนุษย์สมัยดึกดำบรรพ์เพิ่งจะวิวัฒนาการปฏิรูปมาจากสัตว์2เท้าประเภทหนึ่งหญิงสาวตอบมาอย่างเผ็ดร้อนและพินภัยวานเป่าควันบุหรี่ให้กระจายไปกับลมป่าอย่างเรื่อยเฉยทอดทุยและก็สัตว์สองเท้าอันเป็นต้นต่อของมนุษย์อย่างที่คุณหญิงว่านี่ใช่ไหมครับที่มาเป็นต้นตระกูลของมนุษย์เราทั่วไปสืบเนื่องกันมาจนทุกวันนี้ ส่วนไอเรื่องที่ว่ามนุษย์คนไหนจะมีเลือดสีแดงโดยถือกันว่าเป็นไพร่าสามัญชนหรือมนุษย์คนไหนจะมีเลือดสีน้ําเงินอันหมายถึงฐานันดรศัก์ชาติสกุลสูงเป็นเรื่องที่มนุษย์มาแบ่งกันเองภายหลังทั้งทางที่ก็มีต้นกําเนิดมาจากแปลงเดียวกันนั่นเองหม่อมราชวงศ์หญิงดาลินผุดลุกขึ้นยืนในทันทีนั้นร้ายกาดนะักฉันอยากจะตบหน้าคุณเสียจริง หน้าผมไม่สนุกหรอกครับยิงเลียงผาดีกว่าโ น, โ น, น่นน่กระโจนออกมาโน่นแล้วต้องฝูงเบลอขาดเสียงของระพินก็มีเสียงปืนระเบิดขึ้นเป็นระยะกึกกล้องไปหมดพร้อมกับเสียงตะโกนไล่ตะเพิดเอะอะของพวกลูกเปล่าดาลินลืมเรื่องที่ต่อปากต่อคํากับระพินอย่างรุนแรงเสียชั่วขณะหันขวามไปทางทุ่งโล่ก็เห็นเลียงผาเป็นฝูงฝูงละสองสามตัวกําลังเพ่นกระโดดเปะปะอยู่ตามพุ่มไม้และพื้นราบ หลอนหันไปคว้าปืนขึ้นมาโดยเร็วอันเป็นเวลาเดียวกับที่รปินก็กระโจนจากหกโขดหินลงมายืนอยู่ใกล้ๆหล่อนเริ่มตื่นเต้นยกปืนขึ้นเลงแต่ตัดสินใจไม่แน่ไม่รู้จะเลงตัวไหนก่อนดีครั้นแล้วเสียงเรียบๆของรปินก็ดังมากระทบโสดประสาทของหล่อนว่ายิงสัตว์มีชีวิตที่กําลังเคลื่อนที่ไม่เหมือนยิงเป้ากระดาหรือเป้านิ่งนาคุณหญิงแต่ได้ข่าวว่าคุณหญิงเคยล้มหมีโคเดียก กับควายป่าแอฟริกันมาแล้วไม่ใช่หรือดารินฉุนกึกขึ้นมาอีกในบัตรนั้นเพราะหล่อนจําได้ว่าเขาเอาประโยคคําพูดของหล่อนเองที่พูดเป็นเชิงประมาทเขาไว้ในคืนหนึ่งหน้าบ้านพักหนองน้ําแหง้งขณะที่เขาหยิบปืนสั้นขึ้ น, นมาทดลองยิงลูกมาขิดป่าโดยใช้เรียงประโยคย้อนถ้อยคาเหมือนที่หล่อนพูดกับเขาไม่มีผิดหล่อนเลงอย่างทิฐิแล้วเหนี่ยวไกปังเรียงผาตัวที่หล่อนหมายยิงคงกระโจนซิกแซกอยู่เช่นนั้น เหลวเสียงเขาครางออกมาซึ่งมันก็เป็นคําพูดของหล่อนเองอีกนั่นแหละในขณะที่เขายิงลูกมาขิดผิดในคืนนั้นหล่อนเม้มปากปล่อยกระสุนออกไปอีกสามนัดซ้อนผลของมันก็คือไม่มีเรียงผาตัวใดตกเป็นเป้ากระสุนของหล่อนเลยในขณะนี้ทางด้านชายยันและเชษฐาก็มีเสียงยิงอย่างที่ยิบหูดับตับไม่เอ็ดอึงไปหมดผลจะเป็นอย่างไรยังไม่รู้กัน ฮ่าฮศิลปะการยิงสัตว์กับยิงเป้ากระดาษมันไม่ยากเหมือนกันนะคุณหญิงตัดสินใจถูกแล้วที่คิดจะตบหน้าผมแทนที่จะยิงเลียงผาเสียงรอยๆ ย, ยุวโทศดังมาอีกมันก็ไอการร้อเรียนประโยคคำพูดของหล่อนที่เคยเย้ยเขาไว้ทุกท้อยเกิด ท, ทงความไปเลยทีเดียวดาดินแทบจะร้องกรีดออกมาดังๆหันมาลเสือกปืนพวส่งไปให้เขาผู้ยืนยิ้ ม, ย, มยิ้มอยู่พูดด้วยเสียงแหว อ้าวไหนในพานผู้ยิ่งใหญ่ลองยิงให้ดูนหน่อยสิฉันจะยิงถูก ย, ยิงได้ยังไงมันกระโจนกันเร็วยิ่งกว่าลิงแล้วก็มองไม่เห็นศูนย์กล้องนี่เลยจับมันไม่ทันนพิน ร, รับปืนมาอย่างเยือกเย็นแกล้งพูดยั่วต่อมาว่านั่นน่ะสิก็ใครใช้ให้ใช้ปืนแบบติดศูนย์กล้องละ่ะศูนย์กล้องน่ะเขาเอาไวย้ยิงเป้ากระดาษยิงสัตว์ทุ่งโล่งในระยะไกลที่มันยืนเป็นเป้นเปานิ่งให้หรือมิฉะนั้นก็เอาไว้รอบฆาตกรรม ไม่ต้องพูดมากคุณว่าชันยิงผิดคุณก็ลองยิงให้ดูซิโดยปืนกระบอกนี่แหละจอมพานหัวเราะหึ่เอานิ้วแตะน้ำลายแล้วป้ายที่ปากกระบอกปืนทำยั่วล่อนพร้อมกับตวัดปืนขึ้นประทั บ, บ่าพึมพำเบาๆเอผมก็ไม่เคยยิงปืนผู้ดีชนิดติดศูนย์กล้องราคาแพงอย่างนี้เสียด้วยถ้ามันผิดก็นึกว่าชาวโดงไม่เคยชินกับอาวุธของชาวกรุงก็แล้วกันนะครับคุณหญิง เรียงผาตัวหนึ่งกระโดดเลี้ยวหนีมาจากด้านของชายยันเพ่นแผลว ผ, ผ่านพุ่มไม้ไม้เห็นในระยะประมาณ40เมตรระพินวาดลำกล้องปืนตามแล้วเหนี่ยวกลปังเรียงผาตัวนั้นกระโจนทะรึ่งโดดตัวลอยขึ้นไปบนอากาศแล้วร่วงลงมาฟุ้บนิ่งอยู่กับพื้นอีกสาตัวก็วิ่งกระเจิงให้เห็นไม่เป็นระเบียบผ่านมาอีกปังร้มอีกปังเหยื่อของกระสุนวิ่งไปได้ 3-4 ช่วงก็สุดขาหน้าลง และอีกปังอันเป็นนัดสุดท้ายที่บรรจุอยู่ในปืนกระบอกนั้นตัวใหญ่เขางามที่สุดพลิกตีรังกาไปอย่างน่าดูรับินภัยวนรถปืนลงหันมาหลีตาให้นายจ้างคนสวยของเขานิดหนึ่งแล้วส่งปืนคืนไปให้ดารินไม่ได้รับปืนแต่ยืนกอดอกเฉยหน้างอจ้องหน้าเขาอ๋อแน่ละสิถ้าคุณยิงผิดเราจะจ้างคุณให้เป็นพรานนาทางมาหรือมันอาชีพของคุณอยู่แล้วนี่นะ หล่อนแสดงนิสัยพานอันเป็นธรรมชาติแท้จริงของเพศจอมพานเบิกตานิดหนึ่งอย่างร้อเรียนหล่อนเพิ่งจะเห็นเขามีนิสัยขี้เล่นอย่างเงียบๆครั้งนี้เป็นครั้งแรกผิดกับอาการเคร่งขืมเหี้ยมเกรียมอันดูเป็นบุคลิกพื้นหน้าขออภยัยที่ลูกแกะบังอาจกวนน้ำให้คุณนะดูสิอ๋อนี่หมายความว่าฉันเป็นหมาป่าขี้พานหาเรื่องงั้นเลย อย่ามัวทะเลาะอยู่กับผมเลยครับยิงเลียงผาดีกว่ากําลังสนุกทีเดียวนี่ยังไงครับปืนของคุณหญิงบรรจุ ก, กระสุนเร็วๆเขาเถอะกระสุนในปืนหมดแล้วประเดี๋ยวพวกนั้นคงจะไล่กระเจิงออกมาอีกเลียงผาที่นี่ชุมมากผมสำรวจมาแล้วเห็นมีอยู่ตั้ง 40- ่สห้าตัวที่ไล่ออกมายังไม่ถึงครึง่งหล่อนยิ้มเจือนเจริสั่นสีสับปฏิเสธในการที่จะรับปืนคืนมาแต่ส่งลูกปืนให้เขา คุณยิงเถอะให้ฉันยิงก็ผิดหมดฉันมองไม่เห็นเป้าในศูนย์กล้องนี้เลยมันกระโจนเร็วด้วยเกินส่องกล้องปืนตามไม่ทันถามจริงๆเถอะคุณยิงยังไงนะใจเย็นหน่อยสิครับอย่าเอาแต่โมโหเขาตอบพร้อมกับบรรจุกระสุนที่รอนส่งมาให้ไปพางพอเต็มสองกระสุนก็กระชากขึ้นลำส่งไปให้รอนอีกอา้าวลองดูใหม่สิครับไม่ถ้างั้น เขาหันไปคว้าจุด375หที่วางอยู่ข้างๆขึ้นมาส่งให้รอนลองเอาไอ้นี่ยิงดูไหมครับมันเป็นศูนย์เปิดเลยง่ายหน่อยโอ้ยให้ชั้นยิงจุด375หนะะรบ้าจริงมันจะได้ถีบชั้น6กคเมนไปเนี่สิอ้าวแล้วกันไหนว่าเคยยิงจุด458ห้แอฟริกันแมกนัมมาแล้วจุด6 0 0นนไนโตรเอ็กซ์เพรสก็ยังเคยยิงโก6เล่นกโกโก้ไปงั้นแหละ ก็คุณอยากดูถูกกีดกันไม่ให้ฉันเดินทางไปด้วยทําไมละ่ะรับยืนโครงศีรษะช้าช้ามองดูหญิงสาวด้วยในตาเป็นประกายแจ่มใสผิดไปกว่าเคยแล้วยิ้มให้ว่าอันที่จริงคุณหญิงยิงปืนได้ดีมากนะครับผมยังไม่เคยเห็นผู้หญิงคนไหนยิงปืนได้แม่นยําเท่าคุณหญิงมาก่อนเลยถ้าตั้งเป้าแข่งขันกันผมก็เห็นจะสู้ไม่ได้อย่าเพิ่งหมดกําลังใจสิครับคุณหญิงเองก็เจตนาอยากจะลองล่าสัตว์อยู่แล้ว ทดลองใหม่อีกครั้งผมจะเอาใจช่วยว่าแล้วเขาก็ส่งปืนมาให้อีกครั้งหม่อมราชวงหญิงคนสวยเจ้าทิฏฐิยิ้มเกรยกรอยรับปืนมาอย่างไม่สู้จะเต็มใจนักพอเลียงผาอีกฝูงหนึ่งเริ่มจักระโจนมาให้เห็นหล่อนก็ประทับปืนขึ้นเลงแล้วเลงอีกแต่ก็ไม่ได้รันไกลสักทีในที่สุดก็ลดปืนลงโครงศีรษะบ่นอู้ว่ามองไม่เห็นศูนย์แล้วพินเข้ามายืนกำกับอยู่ข้างหลังพูดปลอบใจและสอนให้ โน่นครับกระโดดมาโน่นอีกสองตัวอย่าวาดปืนดักหน้ามันเข้ามาสิครับวาดตามหลังไปก่อนแล้วเลยหน้ามันไปปร ะ, ประมาณสักช่วงแขนรอจังหวะที่ว่ามันกระโดดขึ้นอีกครั้งอา้าวยิงหล่อนเหนียวไก่ปังเลียงผาเจ้ากรรมตัวนั้นม้วนคว่มลงไปอย่างน่าดูดาดินแทบจะกระโดดขึ้นทั้งตัวหัวเราะออกมาได้หน้าแดงด้วยความตื่นเต้นปิติหล่อนเริ่มจะจับคลิปได้ ตัวที่สองหล่อนพลาดแต่ตัวที่สและสี่ดิ้นไปอีกอย่างแม่นยำระพินถอยไปยืนสู่บุรี่อีกตัวมองยิ้มยิ้มจับอยู่ด้านหลังของหญิงสาวขณะที่หล่อนกําลังสาละวนยืนประทับปืนเตรียมยิงอยู่ด้วยอารมณ์ที่เริ่มจะสนุกขึ้นกว่าจะหมดระรอกดาดินยิงได้อีกสองตัวรวมทั้งหมดในแนวปืนรัศมีของหล่อนมีเรียงผาที่ยิงได้ถึง9ตัวสตัวเป็นการยิงในชุดแรกของเขาชนิดตัวระนัด และห้าตัวหลังเป็นฝีมือของหม่อมและวงดาลินโดยปล่อยให้รอดไปได้ไม่น้อยกว่ายี่สิบตัวมันเป็นสัตว์สี่เท้าที่ฉันยิงได้เป็นครั้งแรกในชีวิตโดยมีคุณเป็นครูสอนหล่อนหันมาบอกเขาด้วยใบหน้ายิ้มแย้มยินดีดูเหมือนจะดื่มเรื่องทะเลาะเมื่อครู่ไปเสียอย่างสนิทเมื่อการไล่ราวยุติลงและพวกไล่เข้ามาสมทบเก็บพวกเลียงผาที่ถูกยิงล้มไว้เข้ามารวบรวม บรรยากาศเต็มไปด้วยความตื่นเต้นสนุกสนานอีกครั้งพวกนั้นช่วยกันแบกหลังแอมีเรียงผาที่ยิงได้ทั้งหมดถึง20เป็นฝีมือของเชษฐาเสียหตัวและฝีมือของชัยยานผู้ที่ทั้งทั้งที่ใช้ปืนลูกซองอีกห้าตัวส่วน9ตัวเป็นของด้านดารินซึ่งทำความตื่นตระึงพิศวงให้แก่เชษฐาชัยยันและพวกลูกหาบทั้งหลายเป็นอย่างยิ่ง ในกรณีที่ดารินสามารถยิงได้มากที่สุดเหนือกว่าทุกคนเรพินรีบบอกกับพวกนั้นเสียก่อนว่านั่นเป็นฝีมือของหม่อมราชวงศ์หญิงคนสวยอย่างบริสุทธิ์โดยที่เขาไม่ได้ช่วยเหลืออะไรเลยหญิงสาวลอบหันมาทำหน้าย่นใส่เขาคณะล่าเลียงผาทั้งหมดกลับมาถึงแคมป์ในตอนเย็นลูกหาบมีงานหนักในการช่วยกันถลกหนังเลียงผาซึ่งได้มาอย่างมากมายเหล่านั้นบางส่วนเตรียมสำหรับปรุงอาหารค่ำ ร่วมกับเนื้อกวางและเนื้อหมูป่าที่เหลือส่วนมากบ้างก็ใส่เกลือไว้และบ้างก็ก่อร้านขึ้นย่างไฟรมสำหรับสต็อกเป็นอาหารแห้งต่อไปทุกคนเต็มไปด้วยความเบิกบานสนุกสนานก่อนตะวันจะตกดินเล็กน้อยและพินสั่งให้คนของเขาจัดบริเวณแคมป์ขึ้นโดยปลดควายชะกันที่ใช้เทียมเกียนมาทั้ง16ตัวออกผูกไว้ร้อมรอบ อ, อนาบริเวณเป็นวงกลมเว้นระยะห่างกันพอสมควร เขาให้เหตุผลกับคณะในจ้างของเขาว่าควายที่ให้ล้อมอยู่เบื้องนอกจะเป็นด่านป้องกันภัยจากสัตว์ร้ายที่จะแพร่พานป้วนเปี้ยนเข้ามาในบริเวณได้อย่างดีที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเสือเพราะความมีสัญชาตญาณในการต่อสู้และไม่เกรงสัตว์ป่าทุกชนิดผิดกับวัวหรือสัตว์บ้านอื่นๆและยาเมื่ออยู่ในป่าเช่นนี้ควายย่อมจะรู้หน้าที่ของมันดีว่าจะต้องตื่นระวังภัยอะไรบ้าง อันเป็นธรรมชาติของมันอยู่แล้วถาัดจากแนวร้อมของควายเข้ามาก็จัดพวกลูกขาบให้สุมไฟและนอนเรียงรายการเป็นระยะใจกลางให้ขึงเต็นท์ใหญ่สำหรับคณะนายางของเขาขึ้นเตียงสนามโต๊ะสนามตลอดจนเครื่องใช้อำนวยความสะดวกทุกชนิดที่นำติดมาถูกนำออกมาจัดเตรียมพักพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยลงอย่างรวดเร็วคนรับใช้ประจเต็นท์หม่อมราชวงศ์เชษฐา แสดงความจำนงว่าจะขอตัวแง่ทรายเพราะมีความไว้วางใจและถูกชะตาเป็นพิเศษระพินไม่ขัดข้องสั่งให้แง่ทรายมาคอยรับใช้ประจำอยู่กับเต็นท์ของนายจ้างโดยเฉพาะตามความต้องการหน้าเต็นท์ก่อกองไฟใหญ่ไว้และกำหนดเวรยามผัดเปลี่ยนให้แก่พรานทั้ง4ี่ของเขาอาหารข้ามมื้อนั้นเต็มไปด้วยความคลืครื้นออกรถออกชาสำหรับคณะนายจ้างและลูกหาบทุกคน ไม่จําเป็นจะต้องอาศัยอาหารกระป๋องที่หม่อมราชวงศ์ดาลินจัดเตรียมมาอย่างเหลือเฟือเลยนอกจากพวกส่วนประกอบในการปรุงรสอาหารต่างๆพวกลูกหาบจับกลุ่มกันกินข้างกองไฟและคุยกันเป็นที่สนุกสนานพรานใหญ่ถูกเชิญให้เข้าไปร่วมโต๊ะในเต็นท์ของนายจ้างซึ่งจัดเตรียมไว้อย่างหรูหราเท่าที่สภาพการเดินทางในป่าจะถูกจัดขึ้นได้ที่บริเวณประตูทางเข้าหน้าเต็นท์ตามไฟด้วยตะเกียงรั้วเล็กๆส่วนภายในอันกว้างขวาง สว่างนวลด้วยแสงตะเกียงเจ้าพยายุแง่ายเป็นคนไปตามเขาในขณะที่รับพินเดินตรวจตาดูความเรียบร้อยของบริเวณแคมป์ความจริงเขาตั้งใจจะกินอาหารร่วมกับพวกลูกหาและพานของเขาตามแบบชีวิตป่าจริงๆเท่าที่ปฏิบัติอยู่แต่เมื่อเป็นคำเชิญกึ่งคำสั่งสอนของนายจ้างเขาก็ไม่อยากจะขัดอีกอย่างหนึ่งก็พอจะทราบอยู่ว่าคณะนายจ้างต้องการสังสรรค์ใกล้ชิดอยู่กับเขาตลอดเวลา เมื่อเขาก้าวเข้าไปในเต็นท์ทุกคนรอคอยเขาอยู่ก่อนแล้วด้วยสีหน้าผ่องใสทั้งสามอาบน้ำผัดเปลี่ยนเครื่องแต่งกายเรียบร้อยแล้วทั้งเชิฐาและชัยยันเปลี่ยนมาอยู่ในชุดเสื้อกางเกงสกาดแบบรัดกุ่มสำหรับเตรียมนอนแต่หม่อมราชวงศ์หญิงดาลินคนสวยทำให้จอมพรานต้องถอนหายใจเฮือกออกมาอีกอย่างเหลือละอาหลอนอยู่ในไนกลาว เสื้อนอนหรูหลาสีเม็ดปังๆลาวกับจะนอนอยู่ในคฤะรือหาสําราลรมตามเคยกลิ่นน้ําหอมฝรั่งเศสอย่างดีโชยกลุ่นอ้าวยังไม่ได้อาบน้ําอาบท่าอีกหรือหม่อมราชวงเชษฐาร้องทักมายิ้มยิ้ ม, มเมื่อมองเห็นรพีนอยู่ในชุดเดิมเมื่อผมเข้าป่าเรื่องการอาบน้ําล้างหน้าหรือแปรงฟันกลายเป็นสิ่งไม่จําเป็นไปเสียแล้วครับพรานหรือนักเดินป่าอาชีพทุกคนก็ถือเช่นนี้ เชิดากับชายยันไม่สนใจอะไรอีกเพราะเข้าใจความหมายดีแต่หม่อมระชวงดาลินจ้องหน้าขาวหัวเราะออกมาเสียงแหลมอ๋อแปลว่าเมื่อคุณเข้าป่าคุณไม่มีการอาบน้ําล้างหน้าและแปรงฟันเลยงั้นหรือนายพานอาจจะเมื่อมีเวลาหรือโอกาสสะดวกสะดวกครับแต่ไม่ถือเป็นกิจวัตรที่จะต้องปฏิบัติชันิิพราดไม่ได้เหมือนขณะที่อยู่ในบ้านในป่าเราไม่มีเวลาพอที่จะมาคํานึงหรือพิถีพิถันอยู่ในเรื่องนี้ แล้วเคยสังเกตไหมเวลาคุณลองอาบน้ำทีปลาตายกี่ตัวหล่อนถามหน้าตาเฉยและพินเองก็อดหัวเราะออกมาไม่ได้เชยถากับชายยันหันไปจุบปากบนหญิงสาวพึมแล้วคุณหญิงจะได้ทราบจากตัวเองครับเมื่อเราเดินทางออกจากกลมช้างแล้วเพราะเราอาจไม่มีโอกาสอาบน้ำล้างหน้าหรือแปรงฟันอีกเลยนับเป็นสิ บ, สบวันรพินตอเบเรียบๆชายยันได้จังหวะ ลูกสอดเน็บเพื่อนสาวผู้สนิทกันเหมือนพี่น้องมาว่าแต่น้อยเขาไม่กังวลในเรื่องนั้นหรอกคุณละพินเขาเตรียมน้ําหอมมาดับกลิ่นหลายขวดมันแปลว่าเขารู้ล่วงหน้ามาก่อนแล้วเหมือนกันแต่สงสัยเหมือนกันนะสงสัยว่าไอ้ ก, กลิ่นที่ไม่ได้อาบน้ําเป็นสิบสิบวันกับกลิ่นน้ําหอมนี่เวลามันผสมกันแล้วมันจะส่งกลิ่นไปในลักษณะไหนทั้งโต๊ะหัวเราะครืคนเว้นหม่อมราชวงศ คนสวยคนเดียวที่หันไปค้อนเพื่อนชายขวบกระแทกเสียงออกมาหนักๆคำเดียวว่าบ้าแล้วก็เลยนิ่งเงียบไปไม่หาเรื่องรวนอะไรและพินอีกหลังเวลาอาหารระหว่างที่ดื่มกาแฟและสนทนากันดารินก็แสดงสัรทายาอันเป็นแพทย์หญิงของหล่อนออกมาโดยการเอายาออกมาแจกโดยบังคับให้พี่ชายและเพื่อนชายของหล่อนกินมันเป็นยาประเภทสกัดไข้และป้องกันหวัด หอนเดินแจกและบังคับให้กินแม้กระทั่งแง่ทายผู้ยืนเฝ้าอยู่หน้าประตูเต็นแล้วก็ตรงมาที่ระพินเป็นคนสุดท้ายจะเป็นการบังอาจและสุรู้เกินไปไหมถ้าหากฉันจะให้ยาสําหรับคุณก่อนนอนคืนนี้จอมพรานแบมือออกไปขอโดยดีแพทย์หญิงให้ยาแก่คนธรรมดาไม่ถือว่าเป็นการบังอาจ ห, หรือสุรู้หรอกครับคุณหญิงแววตาของหล่อนส่อความพอใจขึ้น ยิ้มออกมานิดๆโรยยาต่างชนิดสองเม็ดลงไปบนฝ่ามือที่แแบของเขาอืมให้รู้จักหน้าที่อย่างนี้เสียมั่งสิถึงจะเรียกว่าคนเจริญแล้วฉันคิดว่าคุณจะพูดว่ายาไม่จาเป็นสำหรับ่านยาอย่างผมเสียอีกอ๋อแล้วก็ตรวจตาดูแลลูกหากของพวกเราทุกคนด้วยใครไม่สบายหรือรู้สึกว่าจะไม่สบายอะไรก็มาบอกครับผมแล้วพินตอบหางเสียงร้อเรียน โยนยาเขาปากดื่มน้ำตามแล้วกล่าวต่อมาเมื่อกี้นี้เป็นเรื่องของแพทย์หญิงกำหนดยาให้คนธรรมดาซึ่งผมก็ได้ปฏิบัติตามไปแล้วโดยเคร่งครัดทีนี้ก็จะเป็นเรื่องของพรานป่ากับชาวกรุงบ้างดารินยกมือกอดอกพยักหน้ายิงยิงคุณมีอะไรจะพูดกับเราก็ว่าไปไม่ใช่กับเราอันหมายถึงคุณชายหรือคุณชัยยันด้วยหรอกครับแต่หมายถึงคุณหญิงโดยเฉพาะ ทำไมคุณมีอะไรจะพูดกับฉันโดยเฉพาะงั้นล่ะครับอีกสองท่านไม่เกี่ยวก็ว่าไปสิหลอนลากเสียงจะเป็นการบังอาจหรือสุรุ้เกินไปไหมถ้าหากผมจะขอร้องให้คุณหญิงเลิกสวมไนกาวอย่างนี้เกาะนอนไม่ว่าจะที่นี่หรือที่ไหนทั้งสิ้นขณะที่เรายังอยู่ในป่าแต่ควรจะเปลี่ยนมาเป็นเสื้อและสแลักที่รัดกุ่มที่สุด จริงอยู่ถึงแม้ว่าสิ่งแวดล้อมจะให้ความสะดวกสบายและน่าจะเรียกว่าปลอดภัยเกือบร้อยเปอร์เซนแต่มันก็ไม่ร้อยเปอร์เซนตเต็มนักที่นี่เป็นป่าไม่ใช่เมืองเราอาจจาเป็นต้องตื่นพวดพ้าขึ้นมาในวินาทีใดวินาทีหนึ่งก็ได้เสื้อหนอนชนิดนี้ไม่ใช่เสื้อที่เหมาะสำหรับวัตถุประสงค์เช่นนั้นเห็นไหมฉันกับแช่าเตือนเธอแล้วว่าไอ้ชุดนอนสวยๆของเธอน่ะมันไม่มีประโยชน์หรอก เธอก็ยังดื้อจะใส่ให้ได้คุณรพินนะ่ะถ้าไม่เห็นเหลือบ่ากว่าแรงนักแกก็ไม่พูดหรอกชายันร้องออกมาหญิงสาวเอียงคอนิดหนึ่งยิ้มแค้นแคนแล้วก็พยักหน้าเอาละฉันเชื่อคุณประเดี๋ยวฉันจะเปลี่ยนเสื้อผ้าตามที่คุณต้องการอืมให้รู้จากหน้าที่อย่างนี้เสียมั่งสิถึงจะเรียกว่าคนจเจริญแล้วรพินปั้นหน้าเคร่งขรึมพูดเรียนประโยชน์ของหลอนเอง ผมคิดว่าคุณหญิงจะพูดว่าฉันไม่แคร์อย่ามายุ่งกับเรื่องส่วนตัวของนายจ้างเพราะมันไม่ใช่หน้าที่เสียอีอ้อแล้วก็เวลานอนนะ่ะปืนกับไฟฉายไม่ควรจะให้ห่างมือเอาละครับพวกคุณเหนื่อยกันมามากแล้วนอนพักเอาแรงสือเถิดราตรีสวัสดิ์ว่าแล้วเขาก็ก้มศรีรษะให้แล้วเดินออกไปจากเต็นท์หม่อมราชวงศ์หญิงดาลินกระทืบเท้าโดยแรงหน้าง้า หันมาทางพี่ชายผู้บาดนี้กําลังหัวเราะอยู่กับชายยันในวจาโต้อตอบอันทันทันกันในระหว่างน้องสาวกับพรานนําทางได้ยินไหมคะพี่ใหญ่ได้ยินคารมของนายพรานชั้นยอดของพี่ใหญ่ไหมคนคนนี้อยู่มาได้ยังไงนะโดยเสือมันไม่ฆ่าไปกินเสียหล่อนพูดอย่างกับฟัดกาแฟเสือมันไม่มีทางจะค่าเขาไปกินได้หรอกแต่เสือ อ, อาจคาบน้อยไปก็ได้ถ้าน้อยอวดดีกับเขานักพี่ชายว่าเนิบเนิบ สีหน้าคงระบายไปด้วยรอยยิ้มอย่างอารมณ์ดีน้องสาวยิ่งโมโหจัดร้องออกมาคนผีทะเลอะไรอยางนี้ก็ไม่รู้เพราะพี่ใหญ่โอบเอาอกใจมากเกินไปถึงได้กล้ากำแหงกับน้อยได้ถึงเพียงนี้เมื่อตอนยิงเลียงผาบ่ายนี้ก็เหมือนกันทะเลาะกับน้อยไปตลอดทางยั่วทศชาตชมัดเออะไรก็ไม่รู้น้อยทำเป็นเด็กไปได้อย่าลืมว่าเรากาลังต้องพึ่งเขาอยู่นะและฉันก็เห็นว่าเขาเป็นคนน่ารักที่สุด น้อยแต่หากคอยขวางเขาอยู่ตลอดเวลาโดยไม่มีเหตุผลมันก็มาจากที่ว่าเราเอาแตตใจเราสิจนเคยตัวนั่นแหละตลอดเวลาน้อยเคยพบแต่คนที่คอยแต่พนอเอาใจพริสไปหมดทุกอย่างพอมาเจออย่างแล้วพินข้าก็เลยเขม่นความจริงเขาเป็นสุภาพบุรุษที่สุดแล้วก็ไม่ใช่สุภาพบุรุษชีกรทั้งหลายอย่างที่เคยลุมล้อมล้อมหน้าล้อมหลังน้อยมันหรอเขาเป็นผู้ชายแท้ๆอีกแบบหนึ่ง อยากจะรู้ว่าตะพานคนนี้มีอะไรดีนะักทั้งพี่ใหญ่กับชายยันถึงได้เข้าข้างนะักหญิงสาวก็แทกเสียงแล้วสะบัดหน้าเดินเข้าไปที่ฉากก้านเตียงนอนของหล่อนเสียอย่างหงุดหงิดจะอย่างไรก็ตามหล่อนเปลี่ยนชุดนอนอันหรูหรามาอยู่ในเสื้กผ้าเสือกสีดำสวมสเวตเตอร์สีชมพูเข้านอนอากาศเริ่มจะหนาวเย็นขึ้นเป็นลาดับชายยันกับเชษฐาก็หลีไฟและเข้านอนเช่นกัน ไม่นานนักทั้งสองก็หลับสนิทแต่หญิงสาวคงนอนลืมตาโพรงอยู่เช่นนั้นบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่ใหม่แปลกไปจากที่หล่อนเคยพบทำให้บังเกิดอารมณ์ตื่นเต้นประหลาดไม่อาจหลับลงได้โดยง่ายเวลาผ่านไปเสียงเอะอะเฮาของพวกลูกหาบข้างนอกเริ่มจะดซาลงเป็นลำดับจนกระทั่งเงียบหายกลายเป็นความสงัดเงียบเชียบวังเวงได้ยินแต่เสียงไม้ที่สุมไฟไว้ประทุแตก นา น, นานจะแววเสียงหมาป่าเห่าหอนแววมาตะไกลหลอนไม่ง่วงเลยสักนิดหญิงสาวสลัดผ้าห่มขนสัตว์ที่คลุมกายออกลุกขึ้นจากเตียงสนามคว้าเข็มขัดปืนสั้นที่วางอยู่หัวเตียงขึ้นมาคาดเอวสวมแจ็คเก็ตหนึ่งทับถือไฟฉายราสัตว์ขนาดแปดท่อนติดมือแล้วก็เดินออกมาจากเต็นท์อากาศเบื้องนอกยิ่งเย็นจัดไฟกองใหญ่ที่สุมอยู่หน้าเต็นท์ลุกโพงสองแสงสว่างเรืองรอง ร่างใหญ่ชะกันของแง่ทรายหนุ่มชาวดงพเนจร น, นั่งกอดเข่าอยู่หน้ากองไฟกำลังเสือกดุนฟืนเพิ่มเติมเข้าไปเมื่อเห็นร่อนเดินออกจากเต็น์ก็ลุกขึ้นยืนยิ้มรับนายหญิงยังไม่นอนอีกหรือครับเสียงเ้าห้ามีกังวานทักออกมาเบาๆดาลินยิ้มให้คนรับใช้พิเศษที่มาอาสาสมัครล่าสุดก่อนการเดินทางฉันยังไม่อยากนอนหรอกแง่ทราย หลอนผู้เสียงนุ่มกว่าสายตาไปรอบด้านที่มองเห็นกองไฟเรียงรายอยู่เป็นระยะและภาพเงาตะคุ่มของพวกรูปภาพซึ่งนอนกันอยู่เกะ ก, กะไกลออกไปกว่านั้นเป็นความดามืดอันน่าสะึงกลัวของป่าสูงรอบด้านในยามวิการพวกเรานอนกันหมดแล้วหรือครับนอกจากพวกอยู่ยามพรานใหญ่อยู่ไหนหญิงสาวถามออกมาโดยไม่ตั้งใจ แง่าสายชี้มือไปทางด้านเหนือปลายรอบนอกที่สุดติดกับบริเวณที่ใช้ควายผูกไว้ที่นั่นมีเกวียนคันหนึ่งปลดแอกจอดอยู่ไม่มีกองไฟสูงเหมือนบริเวณอื่นๆผมเห็นผู้กองเดินไปทางโน้นเมื่อตอนหัวค่ำครับหล่อนท่อสายตาตามแต่มองไม่เห็นอะไรนอกจากเงาสลัววับแวมเสียงแง่าสายกล่าวต่อมานายหญิงออกมาทาไมครับดึกมากแล้ว น้ำค้างป่าแรงเดี๋ยวไม่สบายดารินหัวเราะน้อยๆมองดูหนุ่มกะเหลี่ยงพเนจรด้วยสายตาแสดงความปราหนีไม่เป็นไรหรอกแงซ า, ายฉันเป็นหมอเองฉันรู้เกี่ยวกับสุขภาพดีอยากจะเดินเล่นสักหน่อยเธอจะไปกับฉันไหมโอ้เดินเล่นในเวลาอย่างนี้ฉันไม่ออกไปนอกบริเวณแคมป์ของเราหรอกจะเดินอยู่ในเขตกองไฟที่พวกเรานอนอยู่นี่แหละ แง่สายดังเลอยู่อึดใจก็ไม่พูดอะไรอีกก้มหลงคว้าจุด4ี่0ี่สี่ศูนย์คู่ชีพขึ้นมาถือไว้